เรื่องที่เรานี่มันเกิดขึ้นในหมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะในอเมริกาวันหนึ่งอาจารย์ก็เขียนโจทย์นะขึ้นกระดานให้นักศึกษาหาคำตอบโจทย์นี้ก็เกี่ยวข้องกับ น, บนบโปเลียนนะนโปเลียนนี่เป็นจกกักรพรรดิฝรั่งเศสเมื่อ200ปีที่แล้วซึ่งเคยกรีธาทัพเนี่ยไป ถึงประเทศรัศเสเซียซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวหิมะก็ตกอย่างหนักนะโจทก็มีอยู่ว่าเนี่ยรัสเซียเนี่ยให้กองทัพของตัวเนี่ยกรีธาทัพระยะทางเป็นพันพันกิโลย่ำหิมะไปจนถึงรัเสเซียโดยใส่ รองเท้าบางๆรนะองเท้าหนังบางๆถามว่าทำไมถึงทำเช่นนั้นได้นะอะไรทำให้นโปเลีเนี่ยสามารถกรีธาทัพโดยที่นักรบเนี่ยนะสวมรองเท้าบางๆเนี่ยไปยนถึงรัเสเซียนะทางที่หิมานี่ก็มีเป็นระยะทางเป็นพันๆกิโลเมตร นักศึกษานี่ก็าพามาคำตอบนะบางคนก็ใช้คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะว่าความกดดันนะที่มันไม่สม่ำเสมอก็อาจจะทำให้อากาศนะมันไม่หนาวมากนะบางคนก็อธิบายว่าเป็นเพราะความมุุ่งมั่นนะของทหารนะที่ คิดถึงประเทศชาตินะมากกว่าความทุกข์ความเดือดร้อนของตัวแต่ละคนก็พยายามสรรหาคำตอบนะตามความรู้ตามมุมมองของตัวก็ใช้เวลาอยู่นานนะเพราะว่าอาจารย์ให้เวลาไปวันหนึ่งนะเพื่อจะหาคำตอบพอนักศึกษาแต่ละคนนะเขียนคำตอบส่งอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเนี่ย ที่จริงเนี่ยพวกคุณไม่น่าจะเสียเวลามากนะเพราะว่าถ้าใช้สามัญสำนึกเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะใส่รองเท้าบางๆเนี่ยย่าหิมะเป็นระยะทางอ่าพันเป็นพันพันกิโลเมตรเนี่ยนะไปถึงรัเสเซียเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะถ้าพวกคุณเนี่ยใช้สามัญสำนึกนะก็จะรู้ว่ามันเป็นโจทย์ที่อ่นะ ไม่มีทางเกิดขึ้นจริงได้นักศึกษาก็น่า ง, งายไปตามๆกันแต่ก็คงได้บทเรียนนะว่าคำถามเนี่ยหรือโจทย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความจริงเสมอไปคนเราเนี่ยต้องรู้จักนะตั้งคำถามกลับ ไปที่โจทย์ด้วยว่ามันจริงหรือมันเป็นไปได้หรืออาจารย์ต้องการบอกให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักใช้สามัญสำนึกมั่งนะอย่าว่าอย่าเอาแต่ใช้หัวสมองแบบทื่อๆนะเพราะว่าโจทย์ที่ให้มาบางทีมันก็เป็นโจทย์ที่ผิดนะเรามาคิดว่าโจทย์เนี่ยที่อาจารย์ให้เนี่ยมันถูกนะในโรงเรียนในหมาหาวิทยาลัยเป็นอย่างนั้นนะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยโจทย์ที่เราได้มา บางทีมันเป็นโจทย์ที่ผิดนะถ้าเราหลงเชื่อนะเราก็อาจจะไม่ใช่แค่เสียเวลานะอาจจะเสียเงินเสียทองหรือว่าเสียผู้เสียคนก็ได้หลายคนเนี่ยถามว่าทำไมเชื่อแล้วก็เสียยงให้กับชายลูกโซนะ่หรือว่าโดนหลอกเสียเงินไปเป็นจำนวนมากคนที่เขาเป็นเจ้าของ ชาลูกโซ่เขาก็พยายามพูดเชิญชวนโน้มน้าวว่านะถ้าเอาเงินมานะลงแชร์กับเ้าแล้วเนี่ยจะได้ผลตอบแทนมากมายคือถ้าใช้สามัญสํานึกสักหน่อยแนละ้วก็จะรู้ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่จะเป็นเพราะความโลภ ก, ก็ได้นะหรือว่าเป็นเพราะความไม่รู้นะ อาจจะเป็นเพราะความศรัทธานในผู้พูดว่าเป็นเป็นคนรู้จักกันนะก็เลยโดนเขาหลอกไปนะและเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอคือถ้าคนเราเนี่ยนะลองใช้สามัญสำนึกสักหน่อยเนี่ยมันก็จะรู้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมันไม่น่าจะจริงอะ่นะเดี๋ยวนี้มันมีข่าวลือข่าวลวงมากมาย นะทั้งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเกี่ยวกเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วคนก็เชื่อเพียงเพราะว่าคนที่ส่งข้อความมาหรือคนที่แชร์มานะเป็นคนรู้จักเดีย๋ยวนี้มันมีข่าวลือข่าวลวงเยอะแยะไปหมดซึ่งพอเราเชื่อเนี่ยมันก็เกิดปัญหาบางทีถ้าใช้สามัญสำนึกสักหน่อยก็จะรู้ว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ่าเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยใช้สามัญสำนึกกันล อาจจะเป็นเพราะมีคติส่วนตัวเลยเป็นเพราะว่าเชื่อง่ายก็ได้บางทีเราก็เชื่อเพราะศรัทธานะคนที่ส่งข้อความมาคนที่บอกนี่เป็นคนที่เราไว้ใจนะแต่ก็อาจจะไม่ได้คิดว่าเขาเองก็โดนหลอกเหมือนกันนะหรือบางทีอาจจะมีความผิดพลาดเอาคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะไม่ใช่ว่าจะเชื่ออะไรง่ายๆนะ แม้คนที่มาพูดต่อหน้าเขาเนี่ยนะเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามนะในสมัยพุทธกาลนี่มีนะมีโยมมีอุบาสกคนหนึ่งนะได้ฟังธรรมจากผู้เจ้าเรียกว่าสนทนาธรรมกันดีกว่านะผู้เจ้านี่ก็มามาสนทนาด้วยแล้วก็ทําให้อุบาสกคนนี้เนี่ยนะได้เข้าใจเลยนะว่าขันธ์ห้เนี่ยมัน มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเข้าใจจกนกระทั่งบรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระโสดาบันเลยนะหลังจากที่พระเจ้าเนี่ยเสด็จกลับไปไม่นานเนี่ยมานะมานี่มันเห็นเหตุการณ์มันก็เข้ามาสวมรอยมานี่มีความสามารถหลายอย่างนะั้นแล้วก็ความฉลาดด้วยก็แปลงการเป็นผู้ติด เ, เจ้าแล้วก็มหาอุบาสกคนเนี้ย เราบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดไปนะเรื่องขันห้าว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นนะพูดผิดนะมันมีขันห้าบางอย่างที่เป็นตัวเป็นตนนะถ้าเป็นเราเนี่ยนะเจอพระพุทเจา้ามาพูดอย่างนี้เนะี่ยจะเชื่อมหก็คงเชื่อนะว่าเออพระพุทเจา้านี่นะมาแก้มาแก้ไขข้อความนะว่าพูดผิดเมื่อสักครู่ แต่อุบาสกคนนี้แกมีปัญญาน่าจะศรัทธาในพระเจ้านะแต่ก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะพระเจ้านี่ไม่น่าพูดอย่างนี้นะเมื่อกี้พูดอย่างหนึ่งตอนนี้มาพูดอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะคนที่อยู่ข้างหน้าเรานี่เป็นพระเจ้าจริงหรือแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าสงสัยจะเป็นมารแล้วมั้งนะพอพูดว่าท่านคือมารใช่ไหเนี่ยมา น, นี่มันยอมแพ้เลยนะ ยอมนะเพราะว่ามานี่จุดอ่อนคือการถูกรู้ทันนะอันนี้คุณคุณสมบัติคล้ายๆกับอารมณ์อกุศลหรือกิเลสทั้งหลายนะที่มันกลัวถูกรู้ถูกเห็นมานี่พอมีคนทักว่าท่านคือมานใช่ไหมนี่ยอมเลยนะยอมยอมแพ้ก็เปิดเผยตัวเองว่าใช่แล้วเป็นมานไม่ใช่พระเจ้าหรอกนะอันนี้เป็นคุณลักษณะของอุบาสกนะ ของชาวพุทธเนี่ยคือไม่เชื่อง่ายนะแม้คนที่มาพูดเนี่ยนะดูเหมือนจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามนะแต่ว่าถ้าสิ่งที่พูดเนี่ยมันมันทำแม่งทำแม่งนะแล้วก็ไม่ไม่สอดค้อความเป็นจริงนะก็ไม่เชื่อนะอันนี้เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ศรัทธาจนงมงายนะยังรู้จักใช้ปัญญานะแล้วก็อาจจะใช้สามันสำนึก ในระดับหนึ่งด้วยพวกเราเนี่ยนะบางทีนะมันก็ต้องต้องเจอโจทย์อย่างอาจารย์คนนี้บ้างนะถึงจะได้เข้าใจว่าในความเป็นจริงเนี่ยโจทย์เนี่ยในห้องเรียนกับในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้โจทย์ในชีวิตจริงมันไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนกับในห้องเรียนนะบางทีมันก็หลอกเหมือนกันนะแล้วถ้าเรา ไม่ฉลาดนะไม่ใช่สามัญสำนึกเราก็เชื่อง่ายๆเอาครูบาอาจารย์เนี่ยนะเขาจะรู้จักนะให้โจทย์กับเรานะซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ทำให้เร า, าได้ปัญญาแต่มันอาจจะไม่ใช่โจทย์ตรงๆซื่อๆก็ได้มีโค้ดนะโค้ดทีมบาสเกตทีมวอลเล่บอล น, นะ วอลเล่บอลหญิงของไทยเนี่ยพเราคงทราบดีนะทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติของไทยเราเนี่ยสร้างชื่อมากนะามีความสามารถเนี่ยติดอันดับโลกเพราะได้โค้ดที่เก่งนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยโค้ดก็ให้นักกีฬาเนี่ยแข่งกันเองเนะคล้ายๆเป็นทีม A ทีมบะนะแข่งกันเองบางทีก็ไปเชิญ ไปเชิญทีมอื่นมาแข่งกับทีมชาติแล้วโค้ดเนี่ยเป็นกรรมการแล้วก็บางครั้งเนี่ยโค้เนี่ยนะก็จะตัดสินผิดพลาดเป็นกรรมการนะตัดสินผิดพลาดเช่นบางทีทีมผู้ต่อสู้เนี่ยฟาวโค้ก็บอกว่าไม่ฟาวบางทีก็ไปตัดสินว่าทีมชาติเนี่ยฟาวทั้งน้นที่ก็ไม่ได้ฟาวอะไรบางทีทีมผู้แข่งเนี่ยเขาตีลูกนะ ออกเส้นไปโค้ดก็บอกว่าได้คะแนนนะฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนนักกีฬาทีมชาติก็ไม่พอใจนะฮึดฮัวมาทําไมโค้ดเนี่ยทาไมไม่เป็นธรรมนะตัดสินไม่เป็นธรรมตัดสินผิดพลาดโวยใส่โค้ดนะหลังจากที่เลิกหลังจากที่แข่งเสร็จโค้ดก็จะบอกว่าที่ทาอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะฝึก นักนักกีฬาของตัวนะให้รู้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้แหละชีวิตจริงนะเกมกีฬาเป็นอย่างนี้แหละคือบางทีกรรมการก็ตัดสินผิดบางทีกรรมการก็ไม่เป็นธรรมกับนักกีฬาและเราจะต้องรู้จักทาใจให้ถูกนะเวลาเจอกรรมการตัดสินแบบนี้หรือว่าเวลาเจอความไม่เป็นธรรมนะที่เกิดจากกรรมการมันไม่ใช่ว่าใน การแข่งกีฬานะี่ทุกอย่างมันจะถูกต้องไปหมดมันมีความผิดพลาดมันมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรู้จักทำใจให้ได้เพราะถ้าเราทำใจไม่ได้เราก็จะงุดหงิดหัวเสียแล้วเราก็จะยิ่งตีผิดตีพลาดมากขึ้นนะโค้ชคนนี้เก่งนะไม่ใช่แค่สอนให้ให้ให้เล่นเก่งอย่างเดียวนะโค้ชที่เก่งเาก็สอนให้เล่นเก่งนะให้มีเทคนิ ก, กมีรู้จักแก้เกมรู้จักรุลุกรู้จักรับ แต่ที่เก่งกว่นั่นคือนะสอนให้นักกีฬาเนี่ยนะสามารถจะคุมอารมณ์ของตัวเองได้สามารถจะเข้าใจความเป็นจริงของเกงกีฬานะว่ามันไม่ได้ซื่อื่อตรงนะมันมีผิดมีพลาดมันมีความไม่เป็นธรรมมันมีการโกงกันนะนะต้องรู้จักทำใจให้ได้นะไม่ใช่เก่งแต่ในเรื่องกีฬาในเรื่องอ แท็ติกอย่างเดียวแต่ต้องเก่งในเรื่องของความจริงนะของเกมกีฬาจริงในชีวิตจริงก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะซื่อๆตรงๆนะบางทีมันก็มีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับเรามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับเรานะหลายคนทําใจไม่ได้เช่นเวลาเจ็บป่วยเนี่ยนะทั้งๆ ท, ที่ก็ทําความดีมานะทําบุญทำกุศลมามากมาย ศีลก็รักษาบุญก็ทำนะแต่ทำไมเจ็บป่วยนะบางทีไม่ได้ป่วยธรรมดาเป็นมะเร็งหลายคนทำใจไม่ได้ว่าทำไมถึงต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นไม่เป็นธรรมเลยมันไม่แฟร์เลยนะยิ่งทำอย่างนี้นะยิ่งคิดแบบนี้มันยิ่งซ้ำเติมตัวเองยิ่งทำให้เป็นทุกข์มากขึ้นนะเพราะว่าจริงๆความยุติธรรมเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เราสมมติกันขึ้นมา ในความเป็นจริงน่มันไม่ก็มันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นธรรมอย่างที่เราสมมุติหรืออย่างที่เราตั้งกติ ก, กาแม้แต่ในเกมกีฬามก็มันมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะตามหนังสือนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยบางครั้งมันก็ดูเหมือนไม่มีเหตุไม่มีผลนะบางคนนี่ก็ทางานหนักมานะตั้งแต่เป็นเด็กก็หาเชา้ากินข้าต้องเรียนหนังสือต้องช่วยตัวเองนะ พอมีครอบครัวนะก็ต้องเลี้ยงลูกนะโดยพ่ะผู้หญิงนี่ก็เลี้ยงลูกมาอย่างเรียกว่าแทบเลือดตากระเด็นนะลูกก็เยอะรายได้ก็น้อยนะก็สามารถที่จะหาเงินส่งเสียลูกจนเรียนจบหมหาวยลัยนะบางคนก็เรียนเป็นถึงหมอนะพอลูกนี่นะโตมีอาชีพการงานที่มั่นคง ก็ถึงคราวที่ตัวเองจะสบายสักทีลำบากมาตั้งแต่เล็กนะแต่พออายุ50นะแทนที่จะได้เสพเสวยผลพวงจากความเพียรพยายามนะที่เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวมาเลี้ยงลูกจนโตจนเขามีหลักมีฐานที่มั่นคงบอกว่าป่วยนะบางทีก็พิการเป็นอัมพึกอัมาพาตบางทีก็เป็นมะเร็ง บางคนเนี่ยก็จะรูสอมทำมามันไม่ยุติธรรมแบบนี้คนที่เป็นลูกก็ จ, จะเสียใจนะว่าแม่งตัวเองเนี่ยทํางานหนักมาทั้งชีวิตถึงเวลาบั้นปลายน่าจะมีความสุขต้องมาเป็นทุกข์แบบนี้อีกก็จะโวยวายตีโพยตีพายครั่งคัวไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมมันไม่แฟร์เลยแต่ชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละนะมันเป็นอย่างเงี้ยบางทีมันก็อไม่สามารถจะ ดำเนินแบบเส้นตรงได้ทั้งๆ ท, ที่เราก็รู้ว่นนะทำดีก็น่าจะได้ดีทำชั่วก็น่าจะได้ชัว่วแต่ว่ามันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่มันไม่ทำให้ตรงไปตรงมาอย่างนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือรู้จักวางใจว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วนะจะไปโวยวายตีโพยตีพายมันก็ซ้ำเติมตัวเองแต่ว่าไปแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย ถ้าเราเอาแต่โวยวายตีโพยตีพายเราก็แย่สิ่งที่ควรทําคือตั้งหลักว่าเออแล้วเราจะทํำยังไงกับมันดีมันเมื่อคนที่เล่นไพ่นะบางคนเนี่ยจัอัธีไรนะ์นัมันได้แต่ไพ่ไม่ดีไพ่ไพ่เลขต่ําๆได้สองมั่งได้สามมั่งได้สี่มั่งนะคนที่เป็นนักเล่นไพ่นะที่เก่งๆเนี่ยนะเขาจะไม่เอาแต่โวยวายตีโพยตีพายว่าทําไมมันได้ไพ่ อ่าบวยบยแบบนี้นะแต่เขาจะคิดว่าเออทำยังไงจะใช้ไพ่ที่ที่อยู่ในมือเนี่ยแล้วก็เล่นให้มันดีที่สุดบางคนก็เล่นชนะนะทนั้งที่ไพ่ในมือเนี่ยมันแย่กว่าไพ่ของคู่แข่งนะบางทีคู่แข่งหรือเพื่อนที่ ท, ที่เล่นด้วยนี่นะมีแจ็คแมมคิงนะมีเแต่ก็ยังแพ้นะยังแพ้คนที่มีไพ่ต่ำๆนะนะเพราะว่าเขาเนี่ยรู้จักใช้ไพ่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มันเหมือนกับแม่ครัวนะที่บางทีก็ได้ได้เครื่องครัวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ค่อยไม่ค่อยครบถ้วนวัตถุดิบก็มีน้อยแต่ทำไมบางคนเนี่ยสามารถจะปรุงอาหารได้อร่อยอร่อยกว่าแม่ครัวที่เขามีเครื่องคราวครบบริบูรณ์นะมีวัตถุดิบเพียบ อ, อันนี้เป็นเพราะาเขาเนี่ยแม่ครัวคนที่เขา ได้ของมาน้อยเนี่ยเขาไม่โมวแต่บ่นนะว่าโอ้ยทําไมฉันไม่ได้รับความเป็นธรรมทาไมฉันได้ของแค่นี้เขาจะไม่โมวเสียเวลาบน่นแต่เขาจะพยายามนะเอาสิ่งที่มีอยู่ในมือนี่แหละนะมาใช้เกิดประโยชน์มากที่สุดเวลาเจ็บป่วยนะก็ไม่ได้เอาแต่ขําครวญ น, นะแต่ว่าหาประโยชน์จากความเจ็บป่วยว่าเออมันสอนอะไรเรานะนะความเจ็บป่วยเนี่ยบางทีมันก็สอนทำมาให้กับเราได้นะ อันนี้ต้องรู้จักหาประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่นะแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องเริ่มต้นจากการที่ยอมรับว่าเอออะไรที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันป่วยการที่จะบ่นว่าไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องน ะ, ะเนี่ยการที่โค้ดเนี่ยนะเขาโยนโจทย์ครูอาจารย์ที่เขาโยนโจทย์ที่มันผิดนะหรือว่าโค้ดเนี่ยที่ตัดสินไม่เป็นธรรมเนี่ยนะมันเป็นการสอนนะ เป็นการให้บทเรียนชีวิตที่สาคัญซึ่งบางทีมันไม่มีในโรงเรียนมันไม่มีในมา้มาเทื่ลไยนะในชีวิตจริงเนี่ยมันมันมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเรียนมาเส้นตรงที่มันตรงจริงๆเนี่ยนะเราเห็นได้แต่ในวิชาเลขคณิตนะวิชาเลขคณิตนี่เส้นตรงเดี่ย่เลยแต่ในชีวิตจริงหาเส้นตรงยากวงกลมที่มันวงกลมแบบ วงกลมที่ทำด้วยวงเวียนนะในชีวิตจริงเนี exactly ่ยในโลกกว้างเนี่ยมันไม่มีวงกลมขนาดนั้นนะมันไม่มีวงกลมนะในธรรมชาติที่มันกลมดิกเลยเนี่ยนะไอ้กลมดิกเนี่ยมันมีอยู่แต่ในวิชาเรขคณิตนะในตำราเส้นตรงหรือว่าเส้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มันเป๊ะเป๊ะเลยเนี่ยมันมีอยู่แต่ในหนังสืออยู่ในห้องเรียนแต่มันไม่มีในชีวิตจริงไม่มีในโลกกว้างธรรมชาติเนี่ยมันไม่มี วงกลมที่กลมดิกหรือว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แป๊ะเป๊ะนะอันนี้เราก็ต้องนะรู้จักนะเรียนรู้ที่จะเข้าใจความจริงแล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับโจทย์ต่างๆที่เข้ามานะโจทย์ที่ต้องใช้สามันสำนึกไม่ใช่เชื่อตะพึตะพื้ น, นหรือว่าโจทย์ที่มันสอนให้เราเนี่ยต้องรู้จักความเป็นจริงบางทีโจทย์เนี่ยมันถูกนะ แต่ว่าเราเองอะนะที่ทำผิดก็มีนะหรือว่าเราเองเนี่ยไม่รู้จักนะไม่ทำไม่รู้จักทำควาเข้ า, ขาใจมันมีโจทย์หนึ่งซึ่งพวกเราจะเคยได้ยินนะเด็กคนนึงเนี่ยไปขอเงินแม่อยากอยากจะไปซื้อขนมแม่ก็ให้เงิน20บบาทเด็กได้เงินเด็กก็รีบไปที่ร้านขนมนะ ไปเลือกของมาเลือกขนมนมาราคาห้าบาทซื้อขนมห้าบาทก็จ่ายเงินเจ้าของร้านได้รับเงินเจ้าของร้านก็ทอนเงินมาห้าบาทเด็กรับเงินห้าบาทใส่กระเป๋าแล้วเด็กก็รีบออกไปเลยถามว่าเราจะอธิบายโจย์นี้อย่างไรนะหลายคนก็คิดไปก็คิดว่าเจ้าของร้านทอนผิดหรือเปล่า นะเด็กก็รีบนะเจ้าของร้านทอนหาบาทเด็กรีบเด็กก็ไปเลยนะคว้าเงินเสร็จไปเลยแต่ถ้าตอบว่าโจทย์มันถูกอะ่ะนะเราจะอธิบายว่ายังไงนะหลายคนคิดยังไงก็คิดไม่ออกนะคิดไม่ออกที่คิดไม่ออกก็เพราะว่าไปนึกเอาว่าเด็ก ยื่นเงิน20บาทให้เจ้าของร้านถ้ายื่นให้20บาทก็ต้องคอนมา15บ้าใช่ไหมแต่โจทย์ไม่ได้บอกในความเป็นจริงคือก็คือเด็กเนี่ยยื่น10บาทให้ได้เงิน20บาทก็จริงใช่ไหมยี่บาทอยู่ในกระเป๋าแต่ยื่น10บาทให้ขนมราคาห้าบาทก็พ่อค้าก็ทอนมาห้าบาทก็ถูกแล้วอะ่ะแต่หลายคนเนี่ยนึกไม่ออกนะ เพราะว่าในใจเนี่ยมันปรุงแต่งขึ้นมามีภาพขึ้นมาในใจว่าเด็กเนี่ยยื่นเงินยี่สิบบาทให้คนขายแต่โจทย์ไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยนะโจทย์บอกเพียงแต่ว่ายื่นเงินให้นะอันนี้คือสิ่งที่เราปรุงขึ้นมาในใจนะแล้วมันก็ทำให้เราชะ ง, งักนะหรือว่าทำให้เราตอบไม่ถูกนะมันกลายเป็นติดตันเข้าไปเลยเพราะเรา ไปสร้างภาพขึ้นมาเองในใจนะไปปรุงแต่งขึ้นมาอีกโจทย์หนึ่งน ะ, อ, ะอันนี้ก็ดูดเดือดหน่อยนะพ่อกับลูกขับรถกลางดึกาอกว่าพอผ่านทางรถไฟเนี่ยด้วยความเร่งรีบก็ข้ามทางรถไฟเลยบอกว่ามันมีรถไฟเนี่ยพุ่งเข้ามาชนนะ รถพังยับเยินพ่อนี่ตายคาที่ส่วนลูกเนี่ยนะอาการสาหัสนะก็รีบพาส่งโรงพยาบาลทันทีนะต้องเข้าห้องผ่าตัดโดยด่วนสัญญาแพทย์เนี่ยนะก็ถูกเรียกมากลางดึกสัญญาแพทย์คือหมอผ่าตัดเนี่ยพอมาเจอคนไข้เนี่ย บอกว่าตัวแข็งเลยนะพูดไม่ออกสักพักก็บอกว่าผ่าไม่ได้เพราะคนไข้เป็นลูกฉันเราจะอธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะบางคนก็บอกว่าเป็นพ่อเลี้ยงหรือเปล่านะบางคนว่าผีหลอกไหมเนี่ยหรือว่าบางคนบอกว่าพ่อไม่ตายจริงหรอกนะบางคนคิดเป็นวันนะ ตอบไม่ได้พ่อแหละพ่อไปคิดว่าสัญญาแพย์นี่เป็นผู้ชายนะสัญญาแพทย์เป็นผู้หญิงเป็นแม่ของเด็กนะหลายคนเนี่ยตอบไม่ได้นะงงเอโจทย์ผิดหรือเปล่าเนี่ยโจทย์ไม่ผิดนะแต่เราอ่เราไปปรุงขึ้นมาเองว่าเนี่ยหมอผ่าตัดเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแล้วเป็นแล้วลูกแล้วคนไข้เป็นลูกนะมันก็ขัดแย้งกันเองเพราะ พ่อตายไปแล้วนะพ่อของพุธของคนไข้าตายไปแล้วเราบังจากนึกภาพขึ้นมาวันเนี้ยสัญญาแพทย์ต้องเป็นผู้ชายนะแต่ว่าเราอ า, อาจจะไม่ได้นึกเลยว่าผู้หญิงก็มนะีโจทย์มันถูกนะแต่เราตอบไม่ได้เพราะเราไปสร้างภาพในใจเรียกว่าคิดเกินโจทย์นะนะไปคิดเกินโจทย์ไปสร้างภาพเกินโจทย์แล้วเราก็ ทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะเวลาเราอ่านขา่าเวล า, เาได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆเนี่ยบางทีก็พูดแค่หนึ่งนะเราเติมเป็นสองนะเพราะว่าเราปรุงแต่งขึ้นมาเราชอบปรุงแต่งเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราได้ยินจากโจทย์ที่เราได้รับมันก็เลยทำให้เราตอบผิดนะหรือตอบไม่ได้แล้วเราทำอาอยู่ตลอดเวลา นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราไม่รู้จักสังเกตจิตใจตัวเองบ้างเนี่ยเราก็จะโดนไอ้ความคิดเนี่ยมันหลอกนะความคิดมันปรุงแต่งขึ้นมาจากประสบการณ์นะหรือจากการที่เราคิดเอาเองนะคิดเอาเองเนี่ยเราคิดบ่อยนะคิดเอาเองนะแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เราคิดให้เป็นความจริงแล้วเราก็เลยตอบโจทย์ผิดหรือตอบ ตอบไม่ถูกมัน <c oughs> มันดูใจตัวเองบ้างนะมันสังเกตนะดูใจของเราว่าใจเรามันคิดปรุงเกินไปหรือเปล่านะมันคิดคาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงหรือเปล่านะมันเติมเอาเองไหมอันนี้แหละเพาเป็นเรื่องของความคิดเรื่องจิตใจซึ่งถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง การที่เรากลับมาหมัน่นตามดูรู้ใจตัวเองว่าบางทีเราอาจจะเชื่อง่ายไปบ้างละนะหรือว่าอะไรที่มันตรงกับอคติของเราเราก็เชื่อหรือว่าเรานะเป็นเพราะความรวบของเราเราก็ไม่รู้จักใช้สามัญสำนึกนะในการที่จะรับฟังรับรู้สิ่งต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะที่มันน่าช่วยทำให้เราเนี่ยได้ นะกลับมาเห็นความสำคัญข อ, ของการมารู้ทันจิตใจของเราคาเดียวพูดเท่านี้นะพระ